กรรมวาจาขอให้สงแสดงพื้นที่สร้างกุดีภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบดังนี้352ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุเช่อนี้ต้องการจะสร้างกุดีที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวด้วยการขอเองภิกษุนั้นขอให้สงแสดงพื้นที่สร้างกุฎีถ้าสงพร้อมกันแล้ว พึงไปแสดงพื้นที่สร้างกุดีให้แก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นบัญญัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ต้องการจะสร้างกุฎีที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวด้วยการขอเอาเองภิกษุนั้นขอให้สงแสดงพื้นที่สร้างกุดีสงส์แสดงพื้นที่สร้างกุดีให้แก่ภิกษุชื่อนี้ ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแสดงพื้นที่สร้างกุฎีให้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่ารูปนั้นพึงทักท้วงพื้นที่สร้างกุฎีสงแสดงให้แก่ภิกษุชื่อนี้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือเอาความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้353ที่ชื่อว่าเป็นพื้นที่มีอันตรายคือ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 ที่ชื่อว่าเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบคือเวียนที่เขาเทียมวัวตามปกติไม่สามารถถวนไปได้บันไดไม่สามารถจะทอดเวียนไปได้โดยรอบนี้ชื่อว่าพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบที่ชื่อว่าเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายคือไม่ใช่ที่อยู่ของมดไม่ใช่ที่อยู่ของปลวกไม่ใช่ที่อยู่ของหนูไม่ใช่ที่อยู่ของงูไม่ใช่ที่อยู่ของแมลงป่องไม่ใช่ที่อยู่ของตะขาบ ไม่ใกล้ทางเดินนี้ชื่อว่าพื้นที่ไม่มีอันตรายที่ชื่อว่าเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบคือเกวียนที่เขาเทียมวัวตามปกติสามารถถวนไปได้บันไดสามารถทอดเวียนไปได้โดยรอบนี้ชื่อว่าพื้นที่มีบริเวณโดยรอบที่ชื่อว่าการขอเอาเองอธิบายว่าขอคนงานอุปกรณ์ก่อสร้างสําเร็จรูปดินเหนียวที่ชื่อว่ากุดีได้แก่ที่อยู่ ซึ่งโบกฉากเพราะภายในหรือภายนอกหรือโบอกฉากทั้งภายในภายนอกคําว่าสร้างคือสร้างเองหรือใช้คนอื่นสร้างคําว่าไม่พาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้หรือสร้างให้เกินขนาดความว่าไม่ขอให้ทรงแสดงพื้นที่สร้างกุดีด้วยยติทุติยกรรมมวาจาก่อนสร้างเองหรือใช้คนอื่นสร้างเกินกําหนดแม้เพียงเส้นผมเดียว จะยาวหรือกว้างต้องอาบัตทุกกฎเพราะความพยายามแต่ละครั้งยังเหลืออิฐอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัตทุลใจอิดก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศษคำว่าเป็นสังคาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตนั้นสงเท่านั้นให้ปริวาสเพราะเหตุนั้นจึงตราเรียกว่าเป็นสังคาทิเศษ